ห้าสุกปีมาแล้วนะที่ประเทศปัตริกโกคลาการัอเมริกามีคนเนี่ยไปจับลิงป่ามาฝูงหนึ่งแล้วนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งก็ทําการเปิดกะโหลกศีรษะของลิงทุกตัวเลยแล้วก็ควานเอาชิ้นเนื้อชิ้นเล็กๆในสมองของลิงเหล่านั้นออกมาเสร็จแล้วก็ปิดกะโหลกเย็บพอลิงทุกตัวหายดีแล้วก็ปล่อยกลับเข้าป่า เพราะว่ามันมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปเช่นเจอน้ําเชี่ยวเนี่ยมันก็ตรงเข้าไปเลยนะไม่หนีน้ําเชี่ยวนะลุยน้ําเชี่ยวเวลาห้อยโหนเนี่ยแม้กระทั่งกิ่งไม้เล็กๆมันก็ไม่กลัวห้ยโหนหรือว่าไต่ไปตามกิ่งไม้เล็กๆซึ่งแน่นอนนะก็ต้องตกลงมาเวลาเจอฝูงศัตรู จะเป็นลิงชนิดเดียวกันแต่ว่าเป็นปฏิปักษ์กันหรือว่าไปเจอสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อลิงเหล่านี้มันก็ไม่กลัวเดินเข้าหาเพราะนั้นเนี่ยภายในเวลาสองอาทิตย์เนี่ยลิงทั้งหมดนี้ก็ตายไม่เหลือสักตัวเลยสอ ง, งปีต่อมาเนภาษาคนี้ก็ ไปแอฟริกาแล้วก็ทำแบบเดียวกันนะจับลิงป่ามาต่ยกระโหลกศรีรษะคนะวานเอาชิ้นเนื้อในสมองออกมาแล้วก็ปล่อยกลับเข้าป่าประกว่าไม่ถึงวันนะลิงทั้งฝูงก็ตายหมดเลยเพราะว่าถูกศัตรูหรือว่าถูกสัตว์ที่ใหญ่กว่าทำร้ายมันถึงเอามากินเป็นอาหารทำไมลิง เหล่านี้เนี่ยจึงมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจนเอาตัวไม่รอดเพราะว่านักวิทาศาสตคน้นเนี่ยเ อ, เอาคว้านเอาหรือตัดเอาสมองส่วนที่เาเรียกว่าอะมิกดัลออกไปจากสมองของเด็กทุกตัวเนี่ยอะมิกดลาเนี่ยมันมีความสำคัญคือมันเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความกลัว และทำให้เป็นตัวเตือนนะให้เห็นให้ตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นเพื่อได้ตอบสนองต่อภัยที่อยู่ข้างหน้าถ้าไม่หนีก็สู้นะแต่พอตัดอ้อมิกดาล่าไปเนี่ยไอ้ลิงพุ่นที่ไม่มีความกลัวเลยเจอน้ำเชี่ยวก็ไม่กลัวนะเจอ สัตว์ใหญ่กว่าหรือศัตรูก็ไม่กลัวเจอกิ่งไม้เล็กๆก็ไม่คิดว่าจะมีอันตรายเลยผลก็คือเอาชวิตไม่รอดแล้วที่น่าสนใจคือว่าคนบางคนเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่มีใครมาตัดเอาอะมิกดาล่าออกไปนะแต่ว่า ความเจ็บป่วยบางอย่างก็ทำให้อัมิกดาี่มันทำงานไม่ได้ยังมีเด็กคนหนึ่งเนี่ยเป็นโรคที่แปลกมากนะก็ทำให้อัมิดนล่ามันไม่ทำงานงก็กลายเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นการข้ามถนนไม่กลัวรถชน ไม่กลัวคนแปลกหนะ้าเคยมีผู้ชายนี่มามาหลอกเธอไปเพื่อทำมิดิมิร้ายแต่ว่ามีคนเห็นนะก็รอดแต่แล้วเธอก็เดินตามผู้ชายคนนั้นไปเหมือนกับว่าไม่ได้รู้สึกว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นพิษเป็นภัยเลยเลย น, นี้มันแสดงให้เห็นนะว่าความกลัวเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะมันทําให้คนเราเนี่ยสามารถที่จะเอาตัวรอดหรือว่าอยู่รอดปลอดภัยได้ถ้าคนเราหรือสัตว์เนี่ยไม่มีความกลัวนี่ลําบากกันนะทั้งที่ความกลัวนี่มันก็ทําให้คนเราเนี่ยเป็นทุกข์ไม่ใช่น้อยหลายคนเนี่ยนะ นอนไม่หลับเพราะความกลัวอาจจะ ก, กลัวผีกลัวคนมาทำร้ายบางอย่างเนี่ยอารมณ์บางอย่างเช่นความเครียดความวิตกกังวลเนี่ยจริงๆมันก็มีรากมาจากความกลัวนะและอย่างที่เราก็เรารู้กันนะคนทุกวันนี้ทุกข์มากเพราะความเครียดทุกข์มากเพราะความวิตกกังวล อาจจะไม่ได้กลัวสิ่งที่มาคุกคามชีวิตนะแต่ว่าอาจจะกลัวอย่างอื่นกลัวสอบข้ามไม่ได้กลัวตกงานกลัวแฟนทิ้งหรือว่ากลัวสูญเสียคนรักหรือว่ากลัวงานการล้มเหลวกลัวทำได้ไม่ถึงเป้าเก็เครียดจนบางคนก็ ไปโรคประสาทหรือไม่ก็ไปติดยาเนีเพื่อระงับความเครียดอาจจะเริ่มจากเหล้าแล้วต่อหลังก็เป็นยาเสพติดแม่มอญ น, นี้หนึ่งความกลัวนี่มันก็ทําให้คนทุกวันนี้มีความทุกข์มากนะจนกระทั่งหลายคนนี่นี่อาจจะคิดว่าเนี่ยไม่อยากจะมีความกลัวเลยแต่จริงความกลัวนี่ก็มีประโยชน์ มันไม่ใช่แค่ช่วยทำให้เราอยู่รอดปลอดภัยจากอันตรายที่มาคุกคามชีวิตหรือว่าเป็นอันตรายต่อร่างกายนะแต่ว่าก็ยังช่วยทำให้เราเนี่ยไม่ทำชั่วด้วยเพราะว่ามีความกลัวบาปเนี่ทที่คุ้มครองโลกเนี่ยมี2ประการนัคือหิริโอตปะฮิริคือลายต่อบาป โอตปาปคือความกลัวกลัวบาปคนเราทำไมกลัวบาปนี่โหงก็วุ่นวายเหมือนกันนะเจ้าตัวเองก็วุ่นวายนะเพราะว่าทำชั่วแล้วก็เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจเพราะว่าคนเราถ้าผิดศีลแล้วเนี่ยไม่ว่าข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อ ส, อสี่ข้อห้าชีวิตมันก็หาความสุขได้ยากนะมันมีแต่เอาความทุกข์ร้อนมาใส่ตัว แม้จะมีปัจจัยสี่มีบ้านหลังใหญ่มีกำแพงล้อมรอบแต่ว่าจิตใจก็รุ่มร้อนเพราะว่าได้ทำบาปทำความชั่วให้ความกลัวไม่มีประโยชน์คนเราถ้าไม่กลัวอยากจนนี้ก็คงจะไม่ขยันหมั่นเพียรในการทำงานถ้าไม่กลัวสอบตกก็คงจะไม่ขยันในการศึกษาเล่าเรียน ถ้าไม่กลัวเจ็บป่วยก็คงจะไม่ดูแลสุขภาพนั่นมันมีหลายสิ่งหลายอย่างนะที่เราไม่เคยชอบนะแต่ว่าดูดีๆมันมีประโยชน์ไม่ใช่ใช่าหความกลัวอยูนะความเจ็บความปวดก็เหมือนกันนะมีหลายคนคิดนะว่านะถ้าฉันไม่มีความเจ็บความปวดนี่มันคงจะวิเศษมากเลยในชีวิตนี้ ยุงกัดก็ไม่คันนะนั่งไปนานๆก็ไม่ปวดไม่เมื่อยไม่รู้จักปวดหัวไม่รู้จักนะเจ็บเวลาโดนเข็นแทงแต่ถ้าหาว่าคนเราไม่มีความเจ็บความปวดเส็จเลยนี่มันก็แย่เหมือนกันนะเผลอๆอายุไม่ยืนด้วยอย่างเขาเพบว่าเนี่ยใน เมื่อ20ปีก่อนเนี่ยแถวประเทศปากีสถานเนี่ยมีเด็กกลุ่มหนึ่งเนี่ยมีความผิดปกติทางพันธุ ก, กรรมเลยไม่รู้สึกเจ็บปวดเลยก็ว่าเด็กพวกนี้นี่แผลเต็มตัวเลยนะและทุกคนเลยเนี่ยลิ้นเนี่ยกดลิ้นกด1ใน3ลิ้นกด1นใน4เพราะเวลากินข้าวแล้วฟันนะไปกัดลิ้นเนี่ยไม่รู้สึกเจ็บก็กัดใหญ่เลย แล้วพอลิ่นเป็นแผลก็เนื่องจากไม่รู้สึกเจ็บก็เลยไม่ระมัดระวังแผลมันก็เลยลามและเวลาเกิดเจ็บเกิดปวดขึ้นมาเพราะว่าหิ้วของหนักคนธรรมดาความเจ็บปวดก็ทำให้ระมัดระวังนิ้วระวัดระมัดระวังมือหรือว่าไม่ใช้อาวัาวยวัตส่วนนั้นมากเกินไปเพราะมันปวดแต่คนที่ไม่ปวดนี่ก็จะใช้ อวัยวะส่วนนั้นเนี่ยมันยังไม่บรรยับบรรยังเลยก็ทําให้มันแย่ลงบางคนมีแผลแล้วก็ไม่รู้จักเยียวยารักษาแผลปล่อยให้แผลมันเน่าบางทีมีมีหนูมากัดเวลากลางคืนกลางคืนเนี่ยมันมีบางทีมีหนูมากัดนะโดยเฉาเดือนที่มีแผลเนี่ยอาตมาอยู่สมัยนอนอยู่ผููหลงเนี่ยบางทีงมีหนูมากัดหูเลย แต่พอ ร, รู้สึกเจ็บก็เลยลุกขึ้นมาถ้าไม่รู้สึกเจ็บนี่หนูก็คงจะกัดหูไปเรื่อยๆแล้วพอมีแผลก็กัดอีกจนหูกุดนะแต่ว่าเด็กที่ไม่รู้สึกเจ็บปวดเนี่ยก็จะโดนหนูกัดหรือว่าเชื้อโรค ม, มันกัดนะจนกระทั่งนิ้วนี่กุดแล้วถ้าทุกคนเลยเนี่ยมีแผลแผลไฟไหม้แล้วก็แผลใหญ่ด้วยเพราะว่า ไม่รักษาเนื่องจากไม่รู้สึกเจ็บปวด้พวกนี้เนี่ยอายุไม่ยืนนะที่อังกฤษนี่มีคนหนึ่งนะมีโรคมีควาผิดปกติแบบเดียวกันเนี่ยไม่เจ็บไม่ปวดโ้ยนแผลเต็มตัวเลยลิ้นก็กรุดคล้ายกันเลยแล้วมีคนหนึ่งกระดูกหักนะกระดูกหักก็ไม่รู้นะจนกทังมีคนมาเตือนว่าเนี่ยเห็น กระดูกขานี่มันเอ็นขามันบวมเจ้าตัวไม่รู้อ่ะจะมีคนมาเตือนว่าเนี่ยเธอกระดูกหักแล้วเนี่ยใส่เฝือใส่เฝือกก็ลำคาญเดินเหินลำบากถอดเฝือกจะได้เดินสะดวกบอกว่าแผลไม่หายกระดูกไม่สมานสุดท้ายต้องตัดขาทิ้งเลย งั้นคนที่ไม่รู้สึกเจ็บปวดเนี่ยร่างกายก็ทุพพลภาพคนที่บอกว่าเนี่ยไม่อยากเจ็บไม่อยากปวดเนี่ยถ้าเราไม่เจ็บไม่ปวดดูนี่เอาไวยะว่านี่คงจะพิกการแล้วก็อายุไม่ยืนงั้นที่เรามีชีวิตยืนยาวกันะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะความรู้สึกเจ็บรู้สึกปวดนะ เจอน้ำร้อนเจอไฟเจอหนามก็ความปวดก็ทําให้เราเรียกว่ายั้งเอาไว้เช่นเวลาเท้าเหยียบกระเบื้องเท้าเหยียบตะปูเนี่ยความสึกปวดก็ทําให้เรายั้งเท้ า, เาไว้ถ้าไม่ปวดนี่ก็จะเหยียบเข้าไปเต็มเต็มเลยเจอไฟเจอหนามก็เหมือนกันนั้นสิ่งที่เราคิดว่ามันสร้างความทุกข์ให้กับเราเนี่ยเช่นความกลัวก็ดีความเจ็บความปวดก็ดี มันมีประโยชน์นะมันช่วยทำให้เร า, อ, าอยู่รอดปลอดภัยได้ดีขึ้นและที่จริงมันไม่ใช่เฉพาะความปวดเท่านั้นนะสิ่งที่เราเรียกว่าความทุกข์เนี่ยเช่นความเจ็บป่วยนะความยากจนความไม่สะดวกสบายความล้มเหลวพวกนี้ก็มีประโยชน์นะถึงแม้ว่า ความเจ็บความปวดหรือความกลัวมันจะช่วยป้องกันไม่ให้เราเจอปัญหาเหล่านี้นะเช่นกลัวกลัวเจ็บกลัวป่วยก็ทำให้เราพยายามดูแลสุขภาพแต่ว่าบางทีมันก็ยังต้องเจ็บต้องป่วยอยู่กลัวล้มเหลวก็ทำให้เราพยายามที่จะมีความระมัดระวังรอบคอบกลัวสอบตกก็ทำให้เรามีความมีความขยันหมั่นเพียร แต่แม้จะพยายามหลีกเลี่ยงหรือป้องกันยังไงบางครั้งเราก็ต้องเจอกับสิ่งเหล่านี้แต่แม้เจอแล้วก็ยังมีประโยชน์นะเช่วความเจอความป่วยก็ทำให้เรานะรู้จักดูแลตัวเองให้ดีขึ้นควบคุมอาหารหมันออกกำลังกายจะได้ไม่ล้มป่วยอีกหรือว่าถ้าเรา มองในทางธรรมเนี่ยเออมันก็ช่วยทำให้เราเกิดความไม่ประมาทอย่างที่เคยพูดถึงคำสั่งของพระเจ้ทาที่ที่พูดถึงพระกลุ่มหนึ่งนะเมื่อป่วยก็ได้ตระหนักว่าเนี่ยต่อไปเราอาจจะป่วยหนักกว่านี้ถึงตอนนั้นก็จะปฏิบัติทมลำบากเพราะฉะนั้น แม้จะป่วยยังไงแต่เราก็ต้องขยันหมั่นเพียรในทำความทำความเพียรก่อนที่จะไม่มีโอกาสถาว่าป่วยหนักในวันหน้าหรือความเจ็บป่วยก็ทำให้เราได้เห็นความไม่เที่ยงของสังขารนะก็ทำให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทหรือบางทีก็ใช้ความเจ็บป่วยเนี่ยเป็นเครื่องฝึกฝึกให้ให้เห็นธรรมชาติของกายและใจ จงกระทั่งถอนความยึดมั่นถือมั่นอย่างที่ท้ า, จ า, าเจ้าพุทธบอเนี่ยความเจ็บปวยมาเตือนให้เราฉลาดฉลาดในเรื่องของสังขารฉลาดในเรื่องของรูปนามกายใจแม้แต่ในเรื่องของทางโลกเนี่ยนะมันก็สิ่งที่เราเรียกว่าอนิจฐารมเหตุการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาก็มีประโยชน์ อย่างความล้มเหลวก็ทำให้เราเกิดปัญญานะรู้ว่าอะไรที่ไม่ควรทำเป็นประสบการณ์ที่จะจะสอนใจเราได้ดีบางทีมีคนเตือนไปแล้วแต่ว่าไม่ฟังหรือว่าจำไม่ได้แต่พอเจอเองนี่โอ้มันจำเลยนะ ประสบการณ์หลายอย่างเนี่ยมันมันสอนเราเอ่านก็แล้วได้ยินก็แล้วมันไม่เท่าเจอเองหรือโดนเองพอโดนเองก็โอ้มันเข็ดหลาบหรือว่ามันเกิดการได้คิดขึ้นมาทัน ท, นทีแล้วก็ทำให้รู้ว่าอะไรที่ไม่ควรทำอย่างโทมัสอดิสันเนี่ยซึ่งเป็นคนคิดประดิษฐ์หลอดไฟที่ ใช้ความสว่างของไส้เนี่ยในการเรืองแสงเนี่ยเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยกว่าเขาจะพบไส้ที่เอามาใช้ทำหลอดไฟได้โอ้ใช้เวลานานมากทดลองแล้วทดลองอีกจากวัสดุหลายชนิดเป็นร้อยอาจจะเป็นพันแต่เขาบอกว่าเนี่ยเขาไม่เคยล้มเหลวเลยนะ เขาเพียงแค่เขาเพียงแค่รู้ว่าอะไรที่มันไม่เวิร์นะไม่มีควมว่าล้มเหลวมีแต่ความรู้ว่าอะไรที่มันมันไม่เวิร์หรือว่ามันเอามาใช้ไม่ได้อันนี้ก็เรียกว่ารู้จักนะใช้ประโยชน์จากความล้มเหลวให้ความยากจนก็เหมือนกันนะเออมันก็สอนให้เราเนะี่ยมีความเพียรมีความอดทน คนเราเนี่ยบางคนเนี่ยเขาขอบคุณเลยนะความยากจนในวัยเด็กเพราะถ้าเาไม่ยากจนในวัยเด็กไม่ต้องปากกัดตีนถีบนี่วันนี้ก็คงจะไม่ประสบความสำเร็จนะในชีวิตนะในทางธุรกิจไอ้ตรงข้ามคนที่อยู่สบายพ่อพ่อแม่ร่ำรวยพอตัวเองมาสืบทอดกิจการ รับมรดกกลับผ่านไม่เหลือเพราะว่าไม่รู้จักทำงานไม่มีประสบการณ์จริงๆเนี่ยถ้าจะพูดไปแล้วเนี่ยความทุกข์เนี่ยสิ่งที่เราความทุกข์เนี่ยที่ใครหลายคนหรือคนส่วนใหญ่ไม่ชอบเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะความทุกข์นี่มีประโยชน์มันสอนให้เราเกิดปัญญา ไม่วันในทางโลกหรือในทางธรรมหลวงปู่บุญญาฤทธิ์นี่ท่านท่านพูดดีเลยนะท่านบอกวนะ่าความทุกข์นี่มันดีนะมันทำให้เราเบื่อกูไม่อยากเกิดอีกแล้วโว้ยมันทำให้ปรารถนาออกจากกามท่านบอกเนี่ยมันดีกว่าความสุขเยอะเลยความสุขทำให้ลืมตัวทำให้เวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จบ นี้ท่านมองความทุกข์ในในแง่ของธรรมะนะว่าคนเราเวลามีความทุกข์เนี่ยโดยเฉพาะความทุกข์ใจเนี่ยถ้าไม่เอาแต่ตีอกชกหัวบวยวายตีโพยตีพายหรือกลนดาชตากรรมเนี่ยถ้าหากว่ามีสติใช้ปัญญาพิจารณาแทนที่จะคร่ำครวนก็มาใคร่ครวน สองคำนี้มันต่างกันเยอะเลยนะคร่าครวเนี่ยยิ่งทำให้ทุกข์แต่ไข้ควรเนี่ยมันทำให้เกิดปัญญาและออกจากทุกข์ได้พอไข้ควรจะพบว่าเนี่ยอ๋อไอ้ที่เราทุกข์นี่เพราะอะไรนะที่แรกทุกข์เพราะว่าไม่มีศีลไม่มีธรรมนะก็เลยไปสร้างความเดือดร้อนใจให้กับตัวเองก็ทำให้เกิดความกลัวบาป แต่หลายคนเนี่ยก็ไม่ได้ทุกข์เพราะว่าการผิดศีลผิดธรรมแต่ทุกข์เพราะความสูญเสียสูญเสียของรักสูญเสียคนรักของรักอาจจะเป็นทรัพย์สินเงินทองอาจจะเป็นงานการตำแหน่งชื่อเสียงหน้าที่ส่วนคนรักนี่ก็ก็มีเยอะแยนะพ่อแม่ลูกหลานคู่ครอง เมื่อใครควรก็จะพบว่าเป็นเพราะความยึดติดถือมัน่นเป็นเพราะไปยึดไปอยากไปยึดว่ามันต้องเที่ยงไปอยากให้มันคงอยู่ไปตลอดชั่วฟ้าดินสลายพูดง่ายคือเป็นเพราะความยึดติดถือมัน่นหลายคนเนี่ยพอพอมองเห็นตรงนี้เนี่ยนะ เริ่มเรียนรู้ที่จะปล่อยเรียนรู้ที่จะวางเป็นการปล่อยวางเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าความสมัครใจนะแต่ปล่อยวางเพราะความทุกข์มันบีบความทุกข์มันสอนความทุกข์มันมันกระตุ้นนะเพราะถ้าไม่ไม่ปล่อยไม่วางนี่ก็จะทุกข์หนักหนาสาหาัสไอการปล่อยการวางเนี่ยคนเราเนี่ย น้อยนะที่จะปล่อยวางเองเพียงแค่มีกฎบอกว่าเ อ, อ่ยยึดทาให้ทุกข์นะปล่อยหรือวางเมื่ อ, อไหร่ก็ทำให้หายทุกข์ได้ยินแค่นี้เนี่ยก็ยังไม่เกิดความกระตือร้ น, นนะที่จะปล่อยที่จะวางจนกว่าเจอความทุกข์เจอความทุกข์แบบหนักๆเนี่ยมันถึงจะเกิด ความได้คิดขึ้นมาหรือเป็นเพราะว่าไม่อยากทุกข์มากกว่านี้แล้วก็เลยต้องปล่อยก็เมื่อนกคนที่แบกของของหนักอะ่ะถ้าของยังไม่หนักมันก็ยังแบกต่อไปแต่พอมันเป็นของหนักมากๆหรือว่าแบกจนกระทั่งเหนื่อยแล้วแม้จะเป็นของไม่หนักแต่พอแบกไปนานๆมันเหนื่อยมันวางเองนะวางเองเพราะว่าไม่ไหวแล้ว อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระอรหันต์หรือพระอริยะจ้าจำนวนมากเลยนะที่ความทุกข์เนี่ยมาสอนความทุกข์มาสอนให้ปล่อยมาสอนให้หรือมากระตุ้นให้วางนะคนเราถ้าหากว่าไม่เจอความทุกข์มันก็ยังหลงเพลินนะกับสิ่งทั้งหมดที่มีที่เป็น ถไม่เจ็บไม่ป่วยก็ยองลงคิดว่าร่างกายนี่มันเป็นตัวสุขหรืออํานวยให้เกิดสุขแต่พอเจ็บป่วยก็เลยรู้ว่าโอ้โหสังขารนี่หรือร่างกายนี่มันเป็นตัวทุกข์พอเห็นอย่างนี้เนี่ยมันมีแต่ใจที่อยากจะวางไม่อยากจะยึดเอาไว้แต่จะเห็นแบบนี้ได้มันก็ต้องมีสติมีปัญญานะมีสติมีปัญญา พอในงานเนี่นยก็จะไปโทษสิ่งนั้นสิ่งนี้ว่าเป็นตัวการทำให้ฉันทุกข์หรือว่าจมอยู่ในความหลงและการที่ว่าเรายังมีสติจะมีปัญญาได้น ก, ก็ส่วนหนึ่งก็อาศัยจากการที่เราเรียนรู้จากชีวิตประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในประจำวันนั่นแหละแม้กระทั่งการเจริญสติการทำกรรมฐานมันก็มีหลายอย่างที่เกิดขึ้นโดยที่เรา อาจจะไม่ปรารถนาแต่ถ้าดูดีๆมีประโยชน์นะเช่นความคิดที่เราเรียกว่าความฟุ้งซ่านหรือว่าความหงุดหงิดหลายคนในเวลาปฏิบัติแล้วเนี่ยไม่ชอบพวกนี้เลยเพราะมันทำให้ใจไม่สงบอุตส่าห์มาปฏิบัติเพื่อจะเอาความสงบแต่ว่ามันคิดเยอะเหลือเกินมันมีความหงุดหงิดมีความลำคาญแต่ที่จริงพวกนี้มีประโยชน์นะเพราะมันเป็นการบ้าน เป็นบทเรียนเป็นบททดสอบที่ทำให้สติเราเติบโตได้ไวคนเราเนี่ยจะมีสติรู้ทันความคิดมีสติรู้ทันความหลงได้ก็ต้องยอมให้มีความคิดความหลงเกิดขึ้นจะรู้ทันความโกรธก็ต้องยอมให้ความโกรธมันเกิดขึ้นแล้วก็เรียนรู้จากความโกรธ เรียนรู้จักความหลงเรียนรู้จากความฟุ้งซ่านที่จริงความโกรธความฟุ้งซ่านก็เกิดขึ้นมานับครั้งไม่ถ้วนแต่ว่าเป็นเพราะเราไม่คิดจะเรียนรู้จากมันนั้นคนที่ยิ่งโกรธเท่าไหร่ก็ยิ่งกลายเป็นคนหงุดหงิดเจ้าอารมณ์มากเท่านั้นแต่ถ้าเรารู้จักใช้มันเอามาเรียนรู้ระหว่างปฏิบัติเนี่ยยิ่งมันเกิดขึ้นเราก็ยิ่งเชี่ยวชาญชํานาญในการรู้ทัน แล้วก็รู้ทางของมันจับทางมันได้นะว่ามันจะมาอย่างไงก็ทำให้มันมีอิทธิพลคองจิตคองใจเราน้อยลงอ้ขอเราเถ้าไม่เรียนรู้จากความจากอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในใจในระหว่างปฏิบัติเนี่ยมันก็สูญเปล่านะแต่ถ้าเรียนรู้ถ้าเราเรียนรู้จากมันเนี่ยเราก็จะเกิดปัญญาสติเราก็จะงอกงามแล้วเราก็สามารถจะเอาสติและปัญญานีมาใช้ในการคลครวน เวลามีความทุกข์เกิดขึ้นมันจะไม่ลุกลามกลายเป็นวิกฤตในชีวิตแต่มันจะทากลับทำให้เราเกิดปัญญาแล้วก็สามารถจะพาจิตพาใจผ่านความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นในวันข้างหน้าได้